ฮัลโหลตอนนี้ฝนหยุดแนละ้วจะทำกิจกรรมต่อทางจะให้ญาติโยมเอาข้าวของมาถวายก็จะให้พรก่อนเลยยะทาวเรวะหังปุราปิเรกปุเรนติสักละงเอวะเรวะอิโตเทนังเทตางังอุปกาปะติ อิทิังปัทิฏังตุมหังยิปเมวะสมิจัตสัพเพปุริยุตสังกปาจังโทปะนะราโสยะธาเมณิจุิราโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตสัพพะโรโควินสศต มาเตภาวตวันตาายุสุขีธีคายุกุภาวะอภิวาลธนสีลิตสานิจังพุทธาปจายินุจตารุธรรมวัานติอายุวันุสุขังภาลั เดี๋ยวันนี้มีกิจกรรมหลายอย่างเดี๋ยวมีพระจากวัดนาบจันท่านก็นั่งรอยอยู่ท่านอยากจะเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็มีถามตอบปัญหาทำจะมีหลายหลายเรื่องวันนี้ฉั้นตอนนี้ให้ญาติโยมถามปัญหาก่อนช่วงนี้มีใครอยากจะถามอะไรไหม ที่เมื่อกี้เรานั่งสมาธิกันเนี่ยเป็นวิธีที่หาความสุขดีที่สุดถูกที่สุดดีที่สุดสุขที่สุดไม่ต้องเสียเงินเลยแต่ให้มีสติควบคุมความคิดของเราให้ได้หยุดความคิดแล้วนั่งจะสบายถ้าหยุดความคิดไม่ได้มันจะนั่งแล้วอึดอัด เพราะความคิดมันจะทำให้เกิดความอยากไปทำอะไรต่างๆเลยทำให้นั่งเฉยๆไม่เป็นสุขถ้าเราควบคุมความคิดได้ความอยากมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เราไม่มีความอยากเราก็จะนั่งอย่างสบายไม่รู้สึกเหนื่อยลความอยากนี่เป็นตัวกดดันจิตใจให้เราอยู่เฉยๆไม่ได้ ใช้เราไปทำอะไรต่างๆแล้วก็ได้ความสุขที่นิดหน่อยๆนยแล้วก็ต้องใช้เราอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่สามารถทำตามความอยากได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นไม่สบายร่างกายไม่สามารถทำตามคำสั่งของความอยากได้เราก็ทุกข์กัน หรืออยากแล้วแต่ไม่มีกำลังไม่มีกำลังซ้ำ อ, อยากจะไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินไปเที่ยวก็ต้องอยู่บ้านอยู่บ้านก็รู้สึกเหนีวว้าวเวไม่สนุกเหมือนกับออกไปเที่ยวถ้าออกไปเที่ยวก็สนุกเดียวเดียวพอกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมเองก็อยากจะออกไปเรื่อย แต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็ไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องมีเงินร่างกายไม่แข็งแรงไม่สบายก็ไม่เป็นปัญหานอนนอนนอ น, นอนทำสมาธิก็ได้านั่งทำสมาธิไม่ได้นอนทำสมาธิก็ได้พวกเราควรที่จะฝึกทำสมาธิกันให้ชำนาญเหมือนกับขับรถ ถ้าเรานั่งสมาธิชำนาญเนืขับรถนี่เราก็จะสบายต้องการจะนั่งสมาธิเมื่อไหร่ต้องการความสุขเมื่อไหร่เราก็นั่งได้แทนที่จะขับรถออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็ขับใจเราให้เข้าสมาธิให้เข้าสู่ความสงบพอใจสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเพราะตอนที่สงบความอยากมันหายไปหมด ความโลภความอยากความโกรธหายไปหมดความคิดหายไปหมดใจก็เลยว่างเย็นสบายเบาอกเบาใจไม่ต้องทำอะไรให้เิดความสุขเพราะความสงบนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าการไปทำอะไรต่างๆแล้วเราพยายามฝึกสมาธิกันบ่อยๆ อ, อาจทำบ่อยๆทำมากๆแล้วเราจะทำงาน ต่อไปเราไม่ต้องไปเที่ยวไหนไม่ต้องเสียเงินไปซื้ออะไรต่างๆมาให้ความสุขกับเราทุกครั้งเราอยากจะมีความสุขเราก็นั่งสมาธิไปอยู่คนเดียวได้อย่างไม่รู้สึกหนาไม่ว้าเวไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยามีแล้วก็ปีปัญหาต่างๆตามมา มากมายกายกองมีภาระมีอะไรต้องทำกันวุ่นวายไปหมดเราก็ไม่ได้อะไรเพราะเดี๋ยวก็ต้องจากกันอยู่ดีได้มาอยู่ร่วมกันเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องไปเดินคนละทางไม่มีใครอยู่ร่วมกันไปตลอดวิธีหาความสุขของชาวบ้าน อย่างพวกเรานี้เป็นการหาความทุกข์มากกว่ามีแต่ความเหน็ดนี่แหละมีความยุ่งยากลำบากแต่ละครั้งกว่าจะได้ความสุขแต่วิธีหาความสุขของพระพุทธเจ้านี้ง่ายแสน ง, ง่ายและดีแสนดีแต่พวกเราไม่รู้กันไม่รู้ว่าทำแล้วจะได้อะไรกัน เราเลยต้องมาฟังคนที่เขาได้ความสุขจากสมาธิมาเล่าให้เราฟังเพื่อเราจะได้เกิดศรัท ธ, ธาเกิดความยินดีที่จะนั่งสมาธิกันแล้วพอเราลองนั่งสมาธิพอใจเราสงบแล้วเราจะเห็นความสุขเกิดขึ้นมาในใจเราแล้วเราก็จะ รู้ทันทีว่าความสุขนี้แหละเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขต่างๆที่เราเคยได้มาเพราะความสุขต่างๆที่เราได้มามันหายไปหมดแล้วเราไปทำอะไรมาเราไปดูอะไรมาไปฟังอะไรมาไปซื้ออะไรมามันสุขเดียวเดียวสุกแล้วมันหายไปหมดแล้วแต่ความสุขที่เราได้จะนั่งจากการนั่งสมาธินี้ มันจะอยู่กับเราไปเอาอมาจากสมาธิก็ยังสุขอยู่เมื่อกี้เราออกจากสมาธิมาเรายังรู้สึกสึกสบายอยู่แต่เดี๋ยวมันก็หายได้เหมือนกันแต่หายได้เราก็ทำให้มันเกิดขึ้นมาใหม่ได้พอความสุขจากสมาธิหายไปเราก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่ถ้าเรามาทำแบบนี้ต่อไปเราไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมียศถาอยู่กระสอบเล็กๆอย่างศาลาหลังนี้ก็ได้เมื่อกี้ฝนตกเราก็นั่งสมาธิกันไม่ต้องติดเครื่องปรับอากาศมีเครื่องปรัากาศธรรมาชาติคนที่นั่งสมาธิได้แล้วไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเพราใจไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากเรื่องราวต่างๆนั่นเอง ได้ความสุขจากสมาธิพอทาให้พอทาให้ไม่ต้องการจะได้อะไรไม่ต้องการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมีสิ่งปุ่มเฟยต่างๆไม่ต้องมีของประดับมีแหวนมีเพชรมีสร้อยคอมีกำไลมีกระเป๋ามีรองเท้ามีอะไรร้อยแปด มีไปก็เท่านั้นสุขเดียวเดียวแล้วก็หิวแล้วก็อยากใหม่เหมือนเดิมได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออยากจะได้อีกเรื่อยๆพอไม่ได้ก็ทุกข์ไม่สบายใจเสียใจนี่คือเรื่องของจิตใจของเราชีวิตของเราความสุขของเรานี่ ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การนั่งสมาธิเพราะมันง่ายแสนง่ายไม่ต้องทำอะไรมากมายเปรียบเทียบการนั่งสมาธิกว่าการไปเที่ยวเลยไปเที่ยวต่างประเทศนี่ต้องหาเงินต้องจองโรงแรมจองที่พักขอวีซา่าจองตั๋วเครื่องบินกว่าจะหาเงินไปเที่ยวได้แต่ละครั้งก็ต้องทำงานหลายเดือน แล้วไปเที่ยวสองอาทิตย์กลับมาก็หมดละหายไปหมดกลับมาทำงานใหม่หาเงินใหม่เพื่อจะได้ไปเที่ยวใหม่มีเท่านี้แหละชีวิตของคนในโลกนี้หาความสุขแบบนี้กันหาความสุขด้วยความเหนื่อยยากลำบากแล้วก็เป็นความสุขชั่วคราวความสุขที่หาง่ายๆหาแบบสบายสบาย ไม่ต้องเสียเงินทองอยู่ในตัวเราเองกลับไม่หากันเพราะไม่รู้กันถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเรานี้พวกเราก็จะหาความสุขแบบนี้นกันแบบที่เราเคยหากันหาความสุขทางตาหูจหมูกลิ้นกายอยากดูอะไรก็หามาดูกันได้ดูแล้วก็ดีใจเดี๋ยวเดีย ว, วเดี๋ยวมันก็หมดไป แล้วก็อยากฟังอยากเดินอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากอะไรต่างๆอยากไปเท่าไหร่ก็ไม่พอพอหมดพอได้ดูแล้วก็อยากดูใหม่ได้ฟังแล้วก็อยากจะฟังใหม่วุ่นลายไปตลอดแต่ถ้าเรามาฝึกนั่งสมาธิได้นี่แสนจะสบายนั่งเฉยๆไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีเงิน ไม่ต้องใช้ใชตาหูจมูกริ้นกายต่อไปร่างกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนพวกที่ชอบเที่ยวชอบหาความสุขทางร่างกายนี้เวลาร่างกายแก่จะเดือดร้อนจะไปเที่ยวไม่ไหวมีเงินก็ไปเที่ยวไม่ไหวน่างกายมันไม่สู้ต้องแบกกระเป๋าต้องอะไรขึ้นเครื่องเหนื่อยกัน ต่อไปเราต้องแก่กันทุกคนต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนั้นเราจะหาความสุขอย่างไรแต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้เราหาความสุขได้ตลอดเวลาเวลาแก่เราก็หาได้เพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็หาความสุขได้ทำใจให้สงบได้อย่างที่เมื่อกี้เราทำกันพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วดูลมหายใจเข้าออกไปท่านี้ ของ่ายๆพยายามทำกันให้มกากๆทำกันบ่อยๆแล้วเราจะชำนานต่อไปนี่พอนั่งหลับตาปุ๊บมันก็สงบเลยไม่ต้องไม่ต้องพุทธโทไม่ต้องดูลมก็ได้ถ้าเราฝึกบ่อยๆเราจะมีกำลังที่จะหยุดใจของเราหยุดความคิดของเราทำให้เราสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ได้ความสุขในกว่าเดือกาแฟเดือดกาแฟต้องไปชงน้ำร้อนต้องไปหาถ้วยหากาแฟหานมหาน้ำตาลมาแล้วต้องชงมันกว่าจะได้ดื่มนี่สู้นั่งสมาธิไม่ได้ปั๊บเดียวสมบแล้วสุขแล้วสุขกว่าเดืมกาแฟแล้วสมาธินี้ไม่มีวันหมดสามารถเติมได้ตลอดเลลวลาไม่เหมือนกาแฟเดี๋ยว ร้านกาแฟปิดก็ไปซื้อกาแฟไม่ได้เวลากาแฟหมดของต่างๆในโลกนี้มันมีหมดมีมาแล้วเดี๋ยวก็ใช้มันหมดหมดแล้วก็ต้องไปหาซื้อใหม่ไม่มีเงินซื้อก็เดือดร้อนมีเงินซื้อแต่ไม่มีของให้ซื้อก็เดือดร้อนช่วยเอาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้อะไรดีกว่าใช้สติตัวเดียว ใช้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธหรือใช้การดูลมหายใจเข้าออกอ น, นี่คือวิธีหาความสุขที่ถูกที่ถูกต้องที่ดีที่สุดที่ไม่มีโทษตามมาไม่มีความทุกข์ตามมาวิธีหาความสุขแบบอื่นนี่มีความทุกข์ตามมาเพราะมันจะหมดเราจะหาไม่ได้ต่อไปร่างกายเราแก่เราเจ็บเราตายนี่จะหาไม่ได้ แล้วยังทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่พอร่างกายนี้ตายไปความอยากหาความสุขจากร่างกายก็ยังมีอยู่ก็เลยทำให้เราไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่ก็จะโตมาได้นเหนื่อยไหตอนเป็นเด็กเนี่ยป็นเด็กเป็นอะไรก็จะเริ่เติบโตมาได้เพื่อที่จะมาทำอะไรต่างๆที่เราอยากจะทำไงก็ต้องใช้เวลาหลายสิ หลายสิบปีด้วยกันต้องเรียนหนังสือต้องอะไรมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นการหาความสุขทางร่างกายผ่านทางร่างกายสู้หาความสุขทางทางธรรมะดีกว่าผ่านทางสติปัญญาดีกว่าใช้สติใช้ปัญญาสอสองอันนี้แล้วเราจะสร้างความสุขอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าได้สร้างขึ้นมาได้ นิพพานเกิดจากการมีสติและปัญญาเนี่เท่านั้นเองมีสติคอยหยุดความคิดหยุดความอยากแล้วมีปัญญาถอดถอนราดเน่าของความอยากคือความหลงให้หมดไปความหลงก็คือไม่รู้ว่าการหาความสุขแบบที่เราหากันนี้เป็นการหาความทุกข์กันการหาความสุขตามความตามความอยากนี้เป็นการหาความทุกข์ เพราะว่ามันไม่สามารถหาได้ตลอดเวลาเวลาอยากแล้วหาไม่ได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปนี่คือปัญญาที่จะสอนให้เราเลิกทำตามความอยากต่างๆอยากทำอะไรอยากดูอะไรอยากฟังอะไรอยากริ่มรส ด, ดมกลิ่นก็ไม่ทำดีกว่าไปนั่งสมาธิดีกว่าไปทำใจให้สงบดีกว่าล้วต่อไปจะไม่มีความอยากมา ลบกวนใจอยู่เฉยๆอยู่ตรงไหนก็ใจก็สงบมีความสุขได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วไม่มีอะไรจะมาทำให้ใจเราวุ่นวายอึดอัดนะ ว, ว้าเหว่เศร้าส่อยง้อยเหงาอยู่เฉยๆก็ไม่เหงาไม่ว้าเหว่อยู่เฉยๆก็สบายอกสบายใจสุขเนาะสุขเนาะไปตลอดไม่ต้องทาอะไร ถ้ากำจัดความอยากให้หมดไปจากใจได้แล้วใจจะสบายจะสุขหนอสุขหนอไปตอนนี้ใจเราทุกหนอทุกหนอทุกเพราะความอยากอยากได้นูน่นอยากได้นีน่อยากไปเที่ยวพอไม่ได้ไปเที่ยวก็ทุกหนอแล้วอยากจะดูไม่ได้ดูก็ทุกหนอแล้วอยากจะฟังไม่ได้ฟังก็ทุกหนอแล้วเนี่ยลองไฟดับดูสักวันเลที่กรุงเทพเนี่ย พอไฟดับนี่ทุกหนอไหมจะทําอะไรไม่ได้หนอเลยจะดูก็ไม่ได้จะฟังก็ไม่ได้แต่คนที่นั่งสมาธิไม่ทุกหนอไม่มีความอยากไม่ทุกหนออยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรดูก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรฟังก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรดื่มก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละคือ ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงคนพบที่เอามาฝากพวกเรามาสอนพวกเราดังนั้นขอให้พวกเราพยายามหัดทำสมาธิฝึกสติบ่อยๆการจะนั่งสมาธิให้จิตสงบได้ต้องมีสติต้องมีพุโทโธพุโทโธหัดท่องพุโทโธไปทั้งวันอย่าไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดคิดได้กับเรื่องที่ต้องจําเป็นต้องคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องทำมาหากิน อย่าเรื่องเที่ยวเรื่องหาความสุขอะไรต่างๆอย่าไปคิดมันพุทโธพุทโธดีกว่าหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่าถ้าเราทาได้แล้วเราก็จะไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่มีเงินทองแม้แต่บาทเดียวก็ไม่เดือดร้อนไม่มีแฟนก็ไม่เดือดร้อน ไม่มีสามีไม่มีภรรยาก็ไม่เดือดร้อนไม่มีบ้านอยู่ก็ไม่เดือดร้อนพระสมัยพุทธกาลถ้าไม่มีกุฏิอยู่ท่านอยู่ตามป่าตามถ้ำตามเงื้อผาตามโคนไม้บางทีท่านก็ทำกระสอบเอาก่งไม้เอาอะไรต้นไม้มาทำพอหลบแดดหลบฝนได้ท่านก็อยู่ได้ไม่ต้องมีอะไรมาก ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขไม่ต้องดูแลร่างกายมากจนเกินไปมันจะเจ็บก็ไม่เดือดร้อนมันจะตายก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราฝึกสตินั่งสมาธิกันดังนั้นขอให้เราพยายามทากันบ่อยๆทำกันให้มากๆล้วต่อไปเราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์ อันนี้ก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้จะให้ทางบ้านถามคำถามทั้งหลายก็ได้นะวันนี้เข้ามาเท่าไหร่คงไม่กี่คนนะเพราะวันนี้นั่งสมาธิกัน78ครับเลขลุกสูงสุด245245ใครอยากคำถามอะไรก็ถามได้น ะ, ะเดี๋ยวถามสัก10นาที20นาที เราเดี๋ยวก็ตอบปัญหาก่อนแล้วค่อยคุยกับพระต่อพระขอขอความกรุณารอที่หลังก็แล้วกันเพราะมันจะได้ไม่ไม่ไม่วุ่นวายสลับฉากใช้ฉากเดียวกันไปก่อนตอนนี้ฉากของโยมก็ให้มันเสร็จเป็นฉากฉากไปี๋ยวฉากของพระก็ค่อยเข้ามาฉากเลยเห็นตอนนี้จะให้ทางบ้านเข้าตอบปัญหาทางบ้านสักประมาณสัก 15-20 ้านาที คำถามจากคุณเห็นทุกเห็นธรรมนะครับการพิจารณาอาการ 3-2 เป็นการรู้ทุกทุกขัตร์ในอริยสัจสีกระทําให้มากจัดคลายสมุทัยกับผมเข้าใจถูกไหมครับเป็นการเจริญมรรคเป็นการสร้างความรู้สร้างปัญญาให้เห็นความจริงของร่างกายว่าเป็นอะไรกันแน่ว่าเป็นตัวเราของเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงอาการ32 ร่างกายเรามีอะไรลองค้นดูดิตัวเราอยู่ตรงไหนในร่างกายเราตัวเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ผมหรือเปล่าอยู่ที่ขนอยู่ที่เล็บอยู่ที่ฟันหรืออยู่ที่เนื้ออยู่ที่หนังอยู่ที่กระดูกอยู่ที่ปอดอยู่ที่หัวใจอยู่ที่ตับอยู่ที่ลำไส้นะของพวกนี้มันเป็นตัวเราหรือเปล่าไม่มีหรอกตัดผมไปผมหายไปเรายังหายไปกับผมหรือเปล่าเราก็ยังอยู่ เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจใจที่มาเกาะติดกับร่างกายใจที่เป็นเหมือนกับผู้ที่เขาเรียกอะไรผู้ที่หุ่นกระบอกเนี่ยผู้ที่เชิดหุณนกระบอกหุ่นคือร่างกายใจคือผู้เชิดใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกาย ทำอะไรต่างๆด้วยความคิดวันนี้คิดจะมาที่นี่เอคิดเลยแล้วก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาที่นี่ใจเป็นผู้คิดผู้สั่งผู้เชิดร่างกายใจมาได้ร่างกายตอนที่เกิดการผสมกันขึ้นมาในท้องแม่พอมีร่างกายใจที่ไม่มีร่างกายก็ส่งกระแสใจมาเกาะติดที่ร่างกายแล้วพอคลอดออกมาก็ สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตอนต้นก็สั่งให้หัดเดินหัดยืนหัดนั่งหัดนอนหัดกินหัดดื่มหัดรับประทานหัดหาความรู้ไปโรงเรียนไปหาศึกษาหาความรู้พอมีความรู้ทีนี้ก็สอนให้ไปหาเงินทองมาสิจะได้ไปซื้อของที่ใจอยากได้ใจอยากดูอะไรพอมีเงินทองก็ไปซื้อมาดูได้ การพิจารณาร่างกายก็ให้รู้ว่าใจกับร่างกายเป็นคนละอ่านกันเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรใครเดือดร้อนร่างกายหรือใจใจนี่แหละเดือดร้อนร่างกายเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่มีความรู้ในตัวเขาผมไม่รู้ว่าเขาเป็นผมเวลาตัดผมผมเขาไม่รู้ว่าก็ถูกตัดผู้ที่ผู้ที่รู้กลับไปเดือดร้อนแทนผมใช่ไเนี่ยใครมาโกนหัวเราดูสิใครเดือดร้อน ร่างกายเดือดร้อนหรือผมเดือดหรือใจเดือดร้อนคนรู้เนี่ยผู้รู้เนี่ยคือใจพอรู้ว่าจะถูกกรรผมเนี่ยเดือดร้อนเลยพอไปคิดว่าเป็นร่างกายคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายไปหลงคิดเนี่ยเพราะไม่เคยเห็นตัวเองไม่มีกระจกส่องดูตัวเองมีแต่กระจกส่องเห็นแต่ร่างกายจะเห็นเห็นใจได้ต้องใช้สมาธิเป็นตัวกระจกถ้าเรานั่งสมาธิใจกับร่างกายจะแยกออกจากกัน แล้วเราจะเห็นใจว่าเป็นผู้รู้ร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการ32แล้วพอเรารู้แล้วก็คอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรเราก็ห้ามมันไม่ได้มันแก่เราก็ห้ามมันไม่ได้มันเจ็บเราก็ห้ามมันไม่ได้มันตายก็ห้ามมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปถ้าเราอยากยอยากจะห้ามมันเราจะทุกข์ เราจะกลัวถ้าเราไปหลงคิดว่ามันเป็นเราเนี่ยการพิจารณาการสามสิบสองเพื่อให้เราแยกใจออกจากร่างกายให้รู้ว่าทั้งร่างกายนี้ไม่มีไม่มีใจอยู่ในร่างกายนี้เลยมีแต่อาการสามสิบสองใจอยู่อีกที่นึ่งอยู่ที่โลกทิพย์ไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายอยู่คนละโลกกันใจอยู่อยู่ที่โลกทิพย์เป็นร่างทิพย์เป็นกายทิพย์เนี่ย เวลาไม่มีร่างกายใจยก็เป็นร่างทิกไปเป็นเทวดาบ้างเป็นเปรตบ้างนี่คือการพิจารณาร่างกายเพื่อแยกให้ออกจากใจจะได้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่มีใจอยู่เลยเันั้นใจไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจไม่ต้องไปหวาดกลัวกับความเป็นความตายของร่างกายเพราะใจไม่ได้เป็นไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นเหมือนคนดูภาพยนตร์น่ะ แล้วคนดูภาพยนตร์ก็ไปตื่นเต้นตกใจกับตัวละครที่อยู่ในภาพยนตร์ใช่ไหมตัวละครที่จะถูกยิงถูกฆ่านี้คนดูก็หวาดเสียวกันไปหมด ท, ทั้งที่คนดูไม่ได้ถูกฆ่าเลยไม่ได้ถูกทําอะไรเลยแตคนดูหลงไปคิดว่าตัวเองเป็นตัวแสดงเป็นตัวละครในภาพยนตร์อันนี้ก็เหมือนกันใจมาหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายพอ ร, ร่างกายเป็นอะไรใจก็หวาดเสียวขึ้นมาเลย กัวขึ้นมาทันทีเลยไปหาหมอหมอบอกว่าเดี๋ยวจะฉีดยาให้ยังไม่ทันฉีดใจไปแล้วใจกลัวไปก่อนนะเี่ยเรากำลังหนุงเราต้องมาสอนใจให้ยากให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายมันเป็นอะไรใจแรงเป็นเหมือนเดิมใจนี้เป็นของวิเศษเป็นของที่ไม่มีวันตายไม่มีวันแก่ แต่ว่าถูกความหลงหลอกให้ไปทุกกับร่างกายไปเดือดร้อนแทงร่างกายร่างกายมันก็ไม่เดือดร้อนร่างกายมันก็เป็นเหมือนเสาต้นนี้ยเนี่ยไปตีมันไปเคาะมันมันก็ไม่รู้หรอกนี่ไปตีกระดูกไปเคาะนี่มันก็เป็ถ้าไม่มีใจมันไม่รู้หรอกดูไปดูคนตายดูเลยเอาเข็มไปทิ่มคนตายมันสะดุ้งไหยไม่สะดุ้งอต่ไปทิ่มคนเป็นดูเลยสะดุ้งเลยออเพราะมีใจอยู่ใจรับรู้อยู่ นี่คือคำถามคำตอบอข้อต่อไปคำถามจากคุณบุญญาพรหนูเพิ่งเริ่มทำสมาธิกำหนดลมหายใจแล้วฟุ้งไปเรื่องอื่นตลอดเลยอยากทำสมาธิก่อนนอนแล้วหลับไปแต่อีกยิ่งฟุ้งสัน้นอยากทราบแนวทางที่ถูกต้องค่ะก็ไม่มีสติมันก็ฟุ้งสัน้นเลยไม่ฝึกสติเลยต้องฝึกสติก่อนอต้องมีพุโทโธพุโทโธพุโทโธ อ, อย่างต่อเนื่องให้ได้ก่อน ถ้าพุโทโธห้านาทีได้เนี่ยรับรองได้ใจสงบได้เนีย่ยลองนั่งฝึกพุโทโธสักห้า น, นาทีดูดูว่ามันจะได้ไหมแค่ห้านาทีเท่านั้นเนี่ยอาจลองทําอยู่เรื่อยๆพยายามตั้งเป้าว่าต่อไปเราจะหัดให้พุโทโธพุธโทโธต่อเนื่องโดยไม่ไปคิดอะไรห้านาทีให้ได้ถ้าเรามีพุโทโธต่อเนื่องห้านาทีได้เวลานั่งสมาธิห้านาทีก็สงบได้คำถามจากคุณคิง ความสุขของดิฉันคือการนั่งสมาธิทําจิตให้ว่างแต่ที่ทํางานบริษัทจะเปิดเพลงให้พนักงานฟังทุกวันดิฉันไม่มีความสุขเลยค่ะเพลงเหล่านั้นมันเป็นอารมณ์หนึ่งดิฉันไม่อยากจะติดในอารมณ์นั้นๆใจมันอยากพิ่งหนีดิฉันควรนองจิตอย่างไรเจ้าคะก็ <c oughs> ที่อุดหูอุดใจอุดหูซะอย่าไปฟังอย่าไปดีนเสียงหาสำลีหาอะไรมาอุดหูซะแล้วก็ทําใจว่าเราห้ามเขาไม่ได้ คิดว่าเป็นเสียงฝนตกก็แล้วกันเวลาฝนตกฟ้าร้องเราทำใจได้ใช่ไหมเราไม่เดือดร้อนก็คิดว่าเสียงต่างๆก็เหมือนฝนตกฝนฟ้าร้องไปแล้วเราก็จะสบายใจแต่ถ้าเราไปต่อต้านอยากจะให้เสียงเหล่า น, นั้นหายไปมันก็จะทำให้ใจเราเครียดขึ้นมาเราอย่าไปต่อต้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีอยู่เราทาเราห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เราแต่เราอยู่กับเขาได้ ด้วยการรับเขาด้วยการไม่รังเกียจเขาด้วยการปล่อยเขาให้เป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าเราไม่อยากจะฟังเสียงก็หาสำมลีมาอุดหูก็แล้วกันแล้วเราก็นั่งทำงานของเราไปก็จะมีความสุขถ้าใจยังอุดอัดก็พุโทโธพุโทโธแสดงว่าใจไม่มีใจไม่นิ่งใจมีความอยากอยู่ยังต่อต้านอยู่ถ้าต่อต้านก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวห้านาทีมันก็หยุดมันก็หาย คำถามจากคุณนุชนะครับนั่งสมาธิทุกวันจิตที่สงบคือไม่สุขไม่ทุกข์นิ่งๆแต่การใช้ชีวิตปกติกิเลสเกิดความอยากแต่แป๊บเดียวความอยากนั้นดับเร็วมากคือเจริญมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะใช่ถ้าหยุดความอยากได้เร็วเท่าไหร่ก็แสดงว่ามีสติมากขึ้นเท่านั้นแล้วถ้าหยุดให้มันไม่กลับมาได้เลยก็แสดงว่ามีปัญญาปัญญาต้องเห็นว่าการทําตามความอยากนั้น ไม่ได้เป็นการไปไปหาความสุขแต่เป็นการไปหาความทุกข์ถ้าเรารู้ว่าเครื่องดื่มที่เราอยากจะดื่มนี้ดื่มแล้วตายเราจะไปดืม่มไหมเราไม่ดืม่มถ้ารู้ว่าเป็นยาพิษแต่เราไม่รู้เราปรคิดว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่น่าดืม่มสิ่งต่างๆนี้ก็ว่าเป็นเหมือนยาพิษที่แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นพิษมันเป็นพิษกับใจเราก็คือมันทาให้ใจเราทุกข์เพราะว่าเวลาเราไปยุ่งกับมันแล้วเดี๋ยวเวลาเรา ไม่ได้มันขึ้นมามันจากเราไปมันก็ทำให้เราทุกข์เรื่เราต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าของที่เราอยากได้นี่มันจะทำให้เราทุกข์เอามันจะอยู่กับเราไม่ได้นานเรือบางทีเราอยากได้แล้วมันไม่สามารถหามาได้เราก็หยุดความอยากได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องอยากได้อะไรเราก็จะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้คำถามจากคุณกรนออกวัน การพิจารณากายในกายควรพิจารณาอย่างไรเกษาโลมานะขาธันตาตะโจเป็นส่วนหนึ่งหรือไม่คะออมันมีหลายวิธีกายในกายเนี่ยพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นวิธีหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยมร่างกายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีไม่มีเวลาไหนที่มันเหมือนเดิมหนึ่งวินาทีจากนี้ไปมันก็เปลี่ยนไปนิดหนึ่งละเปลี่ยนไปทีละนิดทีละนิด เรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายแล้ร่างกายนี้ต้องไปสู่ความตายในที่สุดอันนี้จังสองอนัตตาไม่มีตัวตนในร่างกายมีอาการสามสิบสองทำมาจากดินน้ําลมไฟอาหารที่กินเข้าไปนี่เป็นดินน้ําลมไฟอากาศก็ที่เราหายใจก็เป็นลมน้ําที่เราดื่มก็เป็นธาตุน้ําธาตุไฟก็คือความร้อนในร่างกาย พอร่างกายตายไปธาตุทั้งสี่ก็จะแยกทางกันร่างกายก็เย็นเฉียบธาตุไฟหายไปแล้วเดี๋ยวธาตุลมก็หายไปลมก็ระเหยกลิ่นก็ละเหยออกมาแล้วต่อไปน้ำก็ไหลออกมาทิ้งบรรยาย น, านั่งก็แห้งกรอบผุเปื่อยกลายเป็นดินไปนี่คือร่างกายของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพิจาณาอย่างนี้เรียกว่ากายในกายอย่างใดอย่างหนึ่ง อีกอย่างก็คือพิจารณาว่าอสุภะไม่สวยงามอันนี้พิจารณาร่างกายของคนอื่นเป็นหลักร่างกายของคนที่เราหลงละว่าไม่สวยไม่งามต่อไปก็ต้องเป็นซากศพเวลาเป็นซากศพเรายังจะเก็บเขาว่ายู่ในบ้านเราหรือเปล่าเวลามีลมหายใจนี่หวงใครมาแตะไม่ได้พอไม่มีลมหายใจแล้วนี่ยกให้สับปะเลเรไไม่หวงเลยนันต้อง หรือพิจารณาดูอาการสามสองดูภายในว่าไม่ไม่ไม่น่าดูเลยอาการต่างๆอยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยลองใช้เอ็กซเรย์ดูเลยจะเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นหัวใจเห็นลำไส้ต่างๆแต่เห็นอย่างนี้มันก็จะไม่หลงรักไม่ลักไข่อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องเสพกามได้นี่ก็คือเรื่องการพิจารณากายในกายที่เราต้องพิจารณาให้ครบ ทุกส่วนทุกสัตว์ทุกส่วนเพราะกิเลสมันไปยึดไปติดอยู่กับส่วนส่วนต่างๆเหล่านี้ไปยึดติดว่าร่างกายนี้เที่ยงไม่มีใครที่ว่าจะตายกันเลยใช่ไหมมีใครคิดบ้างไหมวันนี้อาจจะเป็นวันตายของเราแต่พอถึงเวลามันก็ตายได้ทันทีทันใดไม่มีการคิดเลยเพราะคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆคิดว่าร่างกายเที่ยงต้องคิดบ่อยๆว่าร่างกายไม่เที่ยงจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ จะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ถ้าเตือนไว้แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันจะไม่ทุกข์มันเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ได้มันซ้อมไว้ก่อนอร่างกายไม่ใช่ตัวเราอพอใครมาทําอะไรมันเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนมันออแล้วเวลาเห็นใครสวยเห็นใครหล่ออยากจะได้เขาก็มองเข้าไปข้างใน ม, มองเขาเป็นศพไปพอเห็นเป็นศพก็ไม่เอาละ นี่คือการพิจารณากายในกายขก็ต่อไปคำถามจากคุณคอนพิทยาขอคํำแนะนำจากพระอาจารย์วิธีระงับหรือรู้ให้ทันความโกรธความหงหุดหงิดรําคาญใจก่อนอสุมกรรมจกเหล่านี้จะเกิดขึ้นทุกวันนี้ฝึกอยู่แต่ตาไม่ทันสักครั้งจะรู้เมื่อเกิดไปแล้วทุกครั้งเจ้าค่ะเราต้องไม่ต้องเราต้องมีเครื่องหยุดมันเครื่องหยุดก็คือสติคือพุทโธ มันพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ความคิดของเราเวลาเกิดความคิดไม่ดีขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะรู้ทันทีเวลาคิดเราก็จะรู้ทันทีเพราะเวลาเราพุทโธนี้เราจะไม่ให้มันคิดพอเราไม่พุโทโธเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวความคิดโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่ต้องการให้คิดเราก็พุโทโธพุโทโธไปไม่ว่าความคิดจะดีไม่ดีพอเราใช้พุโทโธปั๊บมันก็จะหยุดหมดเริ่มฝึกพุโทโธไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปเราจะสามารถควบคุมความคิดของเราได้คำถามจาคุณนัตตี้ถ้านั่งสมาธิแล้วจิตไม่รวมสามารถบรรลุทรามได้ไหมครับไม่ได้รวมันก็บรรลุไม่ได้รวมก็ยังเป็นขั้นขั้นที่ยังต้องเจริญต่อต่อจากขั้นสมาธิก็ต้องเจริญปัญญาต้องเห็นไตรลักษณ์ต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะสามารถบรรลุธรรมได้ เอ้ออีกสักสองข้อนะนั่นเดียวคำ ถ, ถามจะคุปุ้มปุ้ยใจกับจิตต่างกันไหมเจ้าคะตัวเดียวกันเนีแต่ว่าเขาแยกเป็นสองส่วนจิตเป็นผู้คิดใจเป็นผู้รู้แต่บางทีก็ใช้สลับแทนกันนั้นอย่าไปเอาซีเรียสกับคำว่าจิตกับใจให้รู้ว่ามันหมายถึงผู้รู้ผู้คิดก็แล้วกัน อาสุดท้ายแล้วกันตอนนี้รู้สึก จ, จางคาถามจากคุณบีมอยากทราบว่าการนั่งสมาธิเบื้องต้งคนควรทําอย่างไรครับจําเป็นต้องนั่งให้สงบตั้งแต่แรกไหมครับมันสงบได้ก็ดีสลยแ่มันจะไม่สงบเท่านั้นน่ะนั่งก็เพื่อให้มันสงบจะสงบตั้งแต่แรกได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็นั่งไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสงบวิธีที่จะสงบได้ก็ต้องมีพุโทโธก่อนฝึกพุโทโธให้ได้ห้านาทีก่อน ลองไปฝึกพุโทโธให้มันต่อเนื่องสักห้านาทีดูไม่คิดอะไรเลยได้หรือเปล่าลองทำดูถ้าได้ห้านาทีรับรองได้เดี๋ยวนั่งสมาธิห้านาทีใจก็สงบได้เอาแล้วนะคี่วันนี้ต้องขอภัยเวลาก่อนข้างจะจำกัดเดี๋ยวจะมีการถามตอบปัญหาพอได้นัดกันไว้ในอินเทอร์เน็ตแล้วเดี๋ยวคนที่เขาอยู่ต่างประเทศก็จะรอฟังคาตอบถ้าเราไม่ได้ ทำตาม ท, ที่เรานัดหมายก็จะเสียสัตจ์จะเห็นสำหรับญาติโยมวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะขอให้จงเจริญในธรรมมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปทเถิดมาจากวัดมาบจันทนระ์เหรอบวชได้นานหรือยัง ในมวนนั่งตามสบายใครเป็นหัวหน้าท่านเหรอท่านแปดพรรษาแปดพรรษาแล้วที่เหลือมีกี่พรรษาบ้างนอสี่ษาสารษาที่เหลือนเะวากะพรษาที่พรษานีจะเสกกันหรือเปล่าเราจะอยู่กันต่อเสกมาชิมชิมชิมนดแห่งธรรมก่อน รถแข่งรำชนะรถทั้งปวงถ้าชิมแล้วถูกใจก็อาจจะอยู่ต่ออถ้าชิมยังไม่ถูกใจก็แสดงว่ายังไม่ได้ผลปฏิบัติยังไม่ได้ผลถ้าปฏิบัติได้ผลถ้าจิตสงบเมื่อไหร่จะติดใจทันทีเราจะไม่อยากบวชไม่อยากศึกอยากจะอยู่ต่อไปเพราะว่าออกไปแล้วมันวุ่นวายออกไปแล้วต้องดิ้นดิ้นหลนต่อสู้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำมาหากิน หาอะไรต่างๆมาให้ความสุขแต่ถ้าอยู่บวชแล้วนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก็ไม่ต้องไปหาความสุขอย่างอื่นความสุขจากความสงบนี้เป็นความสุขที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดไม่ยุ่งยากเหมือนกับความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายต้องมีร่างกายต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ร่างกายสัมผัสรับรูบ้ต้องมีเงินมีทอง เพื่อที่จะได้ไปหาสิ่งต่างๆมา ก, ก็ต้องดิ้นรนกันต้องไปหากันแทบเป็นแทบตายหามาได้ก็เดียวเดียวก็หมดไปละได้ความสุขเดียวเดียวก็หมดไปแ ล, แล้วก็ต้องไปหาใหม่แล้วต่อไปร่างกายก็หาไม่ไหวร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายตอนนั้นก็หาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์ แต่ถ้าหาความสุขทางใจได้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายแ ก, ร ก, ยแ ก, รกย่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ไม่เดือดร้อนเพะนั้นพยายามนักบวชเรานี้ต้องการมาหาความสุขทางใจหาความสงบกันเพราะสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนะทิสันติพลังสุขขังถ้าได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะสละความสุข ทางลาบยศเสริญทางรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะไปได้ก็จะอยู่ในภาพเหลืองได้ไม่ต้องไปไปไปเป็นค า, ารวะไปทำมาหากินฉยงนั้นถ้าออกไปก็อย่าทิ้งวิธีปฏิบัตินะพยายามฝึกนั่งสมาธิไปเรื่อยๆฝึกสติบ่อยๆแล้ววันดีคืนดีอาจจะได้ความสงบแล้วก็อาจจะได้กลับมาบวชใหม่ มีอะไรอยากจะถามไหมไม่มวันนี้ได้ฟังพอละวครับออตอนนี้มีญาติโยมมาเลยไม่สะดวกให้เข้ามาก่อนกันเลยนิมนต์นั่งฟังเทศไปก่อนนะเพราะว่าที่มันแคบแล้วก็มันคนละเรื่องกันเรื่องพระกานเรื่องโยมก็คนละเรื่องกันเข้ามาปนกันมันก็ยุ่งยาก เกี่ยวกับผ้าวินัยด้วยอะไรด้วยก็ถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวรคัพอดอีเหมือนพยายามเมื้อชิคครับแต่ว่าพออย่างช่วงเดียนแรกๆ ก, ก็จะเหมือนมีกํำลังครับแต่ว่าพอเริ่มนา น, า น, านๆมันเริ่มเหมือนเริ่มลาแล้วก็เหมือนเออเปลี่ยนอุบายอย่างใหม่ก็ได้สลับกันมันอาจจะชินแล้วมันเบื่อก็ได้ลองไปเปลี่ยนเป็นอดอาหารดูมก็ได้ะ หรือพักสักบ้างินสัจจิสักพักแล้วก็หยุดแล้วก็กลับมาหยุดปฏิบัติตามปกติดูเก็ไม่ให้ปฏิบัติไปตลอดก็ให้จัดเป็นช่วงๆทีละสามวันห้าวันเจ็ดวันอย่างเงี้ยสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็ดูว่ามันได้ผลดีไหมถ้าไม่ได้ผลดีก็อาจจะไม่ถูกกับเราก็อาจจะลองมาเปลี่ยนเรื่องการอดอาหารดู หรือถ้ามีโอกาสไปอยู่คนเดียวไปอยู่ที่เปลี่ยวเปี่ย ว, ยวที่น่ากลัวดูมันมีอุบายหลายอย่างด้วยกันที่เราอาจจะต้องอ ส, สลับผัดเปลี่ยนดูเพราะว่ากิเลสบางทีพอมันชินแล้วมันก็ด้านล ะ, ะก็เลยเราก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์หน่อยมันรู้ทันละมันไม่กลัวล ะ, ะเราก็ต้องเปลี่ยนอุบายใหม่หาวิธีใหม่ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการจเจริญสติต้องสติมีตลอดเวลาพยายามฝึกสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ต้องมีพุทโธแล้วมีสติดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทันทีไม่ว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่เราต้องอยู่กับมันอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้การเรามีสติเวลานั่งสมาธิมันจะสงบได้ง่ายแล้วพอมันสงบแล้วมันจะมีพลังมันจะมีกําลังสู้กับกิเลส สู้กับความอยากต่างๆได้ถ้าไม่มีรักกิเลสมันลุมแล้วหมดเดี๋ยวใจก็รุ่มร้อนขึ้นมาฟุ้งซ่านขึ้นมารินนนนอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากไปนู่นอยากมานี่อยากมากๆเดี๋ยวก็ลาสิกขาะยังสติเนี่ยสำคัญที่สุดนะเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าทรงตัดยิ่งใหญ่เหมือนกับรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างนี่เป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดในป่าไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนนี่รอยเท้าช้างครอบได้หมดเลยทำทั้งหลายก็เหมือนกันทำทั้งหลายจะมีความสําคัญขนาดไหนก็สู้ความสําคัญของสติไม่ได้เพราะถ้าไม่มีสติทําอย่างอื่นก็เกิดไม่ได้สมาธิก็เกิดไม่ได้ปัญญาก็เกิดไม่ได้วิมุติหลุดพ้นก็เกิดไม่ได้เน้นพยายามฝึกสติให้มากๆจเจริญสติให้มากๆก่อน แล้วก็นั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้พอได้รวมแล้วเทนี้ก็ออกออกจากสมาธิมาก็ให้หมันพิจารณาทางปัญญาพิจารณาหนี้จังทุกขังอนัตตาพิจารณาร่างกายก่อนร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายร่างกายไม่สวยไม่งามเป็นอกสุภะมีอาการสามสิบสองตายไปก็กลายเป็นซากศพนดูทุกสัดทุกส่วนทุกรูปแบบของร่างกาย เราจะได้ไม่หลงไปหลังหลงหลายข้างใครอเรากําลังบ้ากับศพกันเนี่ยนะร่างกายทุกร่างกายต่อไปมันก็กลายเป็นศพกันใช่ไหมผัวเมียจะร่างกันขนาดไหนถ้าพร้อมตายไปนี่ก็ไม่เก็บเอาไว้ในบ้านแล้วใช่ไหมยกให้สับเหล่อส่งไปวัดแล้วงั้นถ้าอยากจะกําหนัดกําจัดความกําหนัดยินดีในร่างกายก็หมาั่นคิดถึงว่ามันเป็นซากศพสมมติดูว่าถ้ามันเป็นศพเ ม, มื่อไหร่เรายังอยากจะอยู่กับมันหรือเปล่า พิจารณาว่าไม่มีตัวตนดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟร่างกายตายไปมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟปล่อยวางแล้วก็เวตนาก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเราคก็คุมบังคับมันไม่ได้เป็นอนัตตามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันสุขเราก็จะเดือดร้อนเวลามันไม่สุขถ้าเราอยากให้ทุกข์หายไปเวลามไม่หายไปเราก็จะเดือดร้อน เราต้องรู้ว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เราต้องหัดอยู่กับมันมันสุขก็ปล่อยมันสุขไปมันทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปอย่าไปเปลี่ยนมันปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ถ้าใจเราไปไปไปเปลี่ยนมันแล้วเปลี่ยนไม่ได้มันจะทำให้เราทุกข์นี่คือธรรมะปัญญาที่เราต้องมาสอนใจหลังจากที่เราได้สมาธิแล้ว แล้วต่อไปเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความเจ็บได้ปล่อยวางความความแก่ได้ไม่เดือดร้อนกับความแก่เจ็บตายของร่างกายวันนี้ก็เย็นะนะก็เอาแค่นี้ก่อนเลยไหมได้ใช่ถ้าใครต้องการหนังสือซีดีก็หยิบไปได้นะนี่หนังสือแจก ้าเปลี่ยนใจได้ก็เปลี่ยนใจนะพวกที่จะเสกหลังต่อสักพรรษานหนึ่ง